วัดสรศักดิ์ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองด้านเหนือณวัดแห่งนี้ได้ค้นพบศิลาจารึกวัดสรศักดิ์กล่าวว่าในอินทสศรศักดิ์ได้ขอพระราชทานที่ดินจากเจ้าเมืองสุขโขทัยในขณะนั้นเพื่อสร้างอารามถวายครั้นสร้างสำเร็จแล้วจึงให้นิมนต์พระมหาเทระธรรมไตรโลกจากตำบลดาวขอนผู้เป็นนาของเจ้าเมืองสุขโขทยัยให้มาจำพรรษาที่วัดนี้ด้วย ลักษณะเด่นของวัดนี้คือมีเจดีย์ประธานทรงระฆังหรือทรงลังกาอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้างมาแต่ครั้งสมัยสุขโขทยัยคือเจอดีย์ทรงระฆังกลมที่มีช้างล้อมรอบฐานตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาณะของพระเจ้าจากักรพรรดิที่คู่ควรกับการเป็นพาณะคย์ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด